ต่อไปนี้จะได้สวดบทพิเศษซึ่งสวดใช้สวดในตอนเช้าหลังจากทาวัดเช้าผู้สวดนั้นสามารถจะเลือกสวดบทใดบทหนึ่งก็ได้ถ้ามีเวลามากก็สวดหลายบทมีเวลาน้อยก็สวดบทหนึ่งหรือสองบทตามชอบใจเริ่มตั้งแต่หน้าสาสิบเป็นต้นไป เขมาเขมะสรณะขมณะปริทีปิกาคาถาหันธรมายางเขมาเขมะสรณะขมณะปริทีปิกาคาถาโยพนามเสนภาุงเวสรณงยันติปะปะตานิวานิจจาอารามารุขเจตยานิ มนุษย์พยตัจจิตามานุษย์เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วถือเอาภูเขาบางป่าไม้บางอารามและลูกขเจีดีบางเป็นสรนังเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรนมุตตมัง เนตังสรณะมาธรรมมาสาภายทุกขาปมุจจะตีนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นมีใจสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วยอมใพ้นจากทุกทางปวงได้โยจะพุทันจะสามัญจะ สั้างคันจากสรารนังขตุจากตาดิอริยสัจจานิสัมมปัญญายปสัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพราธรรมและประสง์เป็นสรนะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบ ทุกขังทุกขัสมุปปาทังทุกขัสัจจคติกรมังอริยันจะทางที่ขังมากขังทุกขูปสมะขามินามคือเห็นความทุกขเหตให้เกิดทุกขความข้าวล่วงทุกเสียได้และหนทางมีองค์แปดขันประเสริ เรื่องถึงความระงับทุกเอตังโคสรนังเทมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณ า, า, า, า, า, ามาคัมมาสัพปายตุคาปะมุตจตีนั่นแหละเป็นสรณาอันกเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแลว้ว ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้